ทุกขานิเทศวินิจฉัยสับว่าชาติวินิจฉัยในทุกขธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นนี้บัณฑิตพึงทราบต่อไปวินิจฉัยนี้เป็นอย่างไรก็สับว่าชาตินี้มีอัฏาหลายอย่างจริงอย่างนั้นสับว่าชาตินั้นในคำว่าระลึกชาติได้หนึ่งชาติก็มี สองชาติก็มีดังนี้เป็นต้นนี้มาในอัถะคือภพในคำว่าวิสาขาสมณชาติคือนิครนมีอยู่นี้มาในอัถะคือนิกายหมายถึงพวกในคำว่าชาติสงเคราะห์เข้ากับขันสองนี้มาในอัถะคือสังคตลักษณะ ในคำว่าจิตดวงแรกเกิดขึ้นวิญญาณดวงแรกปรากฏขึ้นในท้องของมารดาอันใดชาตินั้นแหลอาศัยจิตดวงแรกนั้นจึงมีนี้มาในอัถฐคือปฏิสนธิในคำว่าอานนทันทีที่พระโพธิสัตว์ชาตะนี้มาในอัถะคือประสูติการคลอด ในคำว่าเป็นผู้ไม่ถูกคัดค้านไม่ถูกติเตียนด้วยชาติวาทะหมายถึงถ้อยคำปรารบชาตินี้มาในอัถฐคือตระกูลในคำว่าน้องหญิงเราเกิดแล้วโดยชาติเป็นอริยะแต่การใดนี้มาในอัถฐคืออริยศีลสับว่าชาตินี้นั้น ในที่นี้พึงเห็นว่ามาในขันทั้งหลายอันเป็นไปตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงออกจากท้องมารดาสําหรับสัตว์จําพวกคำภาษยกะคืออันทชาและฉลาพุชามาในปฏิสนธิขันทั้งหลายเท่านั้นสําหรับสัตว์จําพวกนอกนี้คือสังเสทชาและอบปาติกะแม้วินิจัยกถาที่กล่าวมานี้เล่าก็ยังเป็นปริยายกถา คือว่าโดยอ้อมอยู่เมื่อว่าโดยนิป ร, ริยายคือโดยตรงขันทั้งหลายใดๆปรากฏขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดอยู่ในพบนั้นๆความปรากฏขึ้นที่แรกแห่งขันนั้นชื่อว่าชาติก็แลชาตินี้นั้นมีความเกิดที่แรกในพบนั้นๆเป็นลักษณะมีการมอบให้เป็นรส มีความผุดขึ้นในภพนี้จากอดีตภพเป็นปัจจุ ป, ปัฏฐานหรือมีความวิจิตไปด้วยทุกขเป็นปัจจุ ป, ปัฏฐานชาติทุกหากคำถามพึงมีว่าก็เหตุฉนัยชาติจึงเป็นทุกข์ดังนี้ไซคำแก้พึงมีว่าเพราะความเป็นวัตถุ คือเป็นพื้นเป็นที่ตั้งของทุกเป็นอเนกจริงอยู่ทุกทั้งหลายมีเป็นอเนกเช่นอะไรบ้างเช่นทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์สังขารทุกข์ปฏิชันนทุกข์อปฏิชันนทุกข์ปริยายทุกขและนิปริยายทุกข์ในทุกเหล่านั้นทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางใจ เรียกว่าทุกขทุกข์เพราะเป็นทุกข์ทั้งโดยสภาวะและโดยชื่อสุขเวทนาเรียกว่าวิปรินามทุกข์เพราะเป็นเหตุเกิดทุกข์โดยเปลเปลี่ยนไปอุเบขาเวทนาและสังขารทั้งหลายอันเป็นไปในภูมิสามที่เหลือเรียกว่าสังขาระทุก เพราะถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้นความเจ็บป่วยทั้งทางกายและทางใจมีปวดหูปวดฟันและความรุ่มร้อนเกิดแต่ราคะความเดือดดานเกิดแต่โทสะเป็นต้นเรียกว่าปฏิชนนทุกเพราะต้องถามจึงรู้และเพราะความไม่ปรากฏ การกระทาปฏิชันนทุกนี้ท่านเรียกว่าอัปากตะทุกข์บ้างความเจ็บป่วยมีทวัติงสกรรมมกรคือการลงอาชญาสาสสองประการเป็นต้นเป็นสมุดฐานเรียกว่าอปฏติชันนทุกข์เพราะไม่ต้องถามก็รู้และเพราะความปรากฏ การกระทาด้วยอปติชนทุกนี้ท่านเรียกว่าปากระตะทุกบ้างเว้นทุกขะทุกเสียทุกที่เหลือมีชาติเป็นอาทิซึ่งมาในวิพางแห่งทุกขสัตย์ทั้งหมดเรียกว่าปริยายทุกข์เพราะความเป็นวัตถุแห่งทุกขนั้นๆส่วนทุกขะทุกเรียกว่านิปริยายทุกข โภกกะกันติมู ล, ละกะทุกในทุกขเหล่านั้นชาติจัดเป็นทุกขเพราะความเป็นวัตถุแห่งทุกอันมีในอบายที่แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงประกาศไว้ในสูตรทั้งหลายมีพาละบัณฑิต ส, สูตรเป็นอาทิโดยเป็นข้ออุปมามีอุปมาโดยหลุมทานเพลิงเป็นต้นและแห่งทุกอันต่างโดยทุกขมีการก้าวลงสู่ขันเป็นมูลเป็นต้น ในมนุษย์ยาโลกซึ่งเกิดขึ้นแม้ในสุขติในทุกเหล่านั้นต่อไปนี้เป็นทุกอันต่างโดยทุกมีการก้าวลงสุขันเป็นมูลเป็นต้นก็แลสัตว์นี้มาเกิดในท้องมารดาก็หาใช่เกิดในกลีบดอกไม้มีอุบลนประทุมและบุญทริกเป็นต้นไม้ที่แท้ย่อมเกิดในกุชีประเทศคือส่วนหนึ่งของท้องใต้กระเพาะอาหารใหม่ เหนือกระเพาะอาหารเก่าทำกลางแห่งหน้าท้องและกระดูกสันหลังเป็นที่คับแคบอย่างยิ่งมืดมิดอบอวนด้วยกลิ่นอายอันเหม็นยิ่งซึ่งกลิ่นซากสัตว์ต่างๆที่กินเข้าไปทำให้เกิดขึ้นน่าเกลียดยิ่งนักราวกับตัวนอนเกิดอยู่ในปลาเน่าขนมบูดและหลุมน้ำครามเป็นต้นฉะนั้นสัตว์ที่เกิดอยู่ในท้องมารดานั้นร้อนอบอยู่ด้วยสัมภะ คือนาำกำเนิดนาเลี้ยงในท้องของมารดาเท่ากันถูกต้อนอยู่เหมือนข้าวต้มมัดเท่ากันถูกนึ่งอยู่เหมือนขนมก้อนแป้งปราศจากความไหวกายมีคูเหยียดอวัยวะเป็นต้นสวยทุกขนาดหนักอยู่ตลอดทศมาศคือสิบเดือนนี้เป็นคั้โอกาสกันติมูลกัทุก ทุกมีการก้าวลงสู่ขันเป็นมูลเป็นอันดับแรกขับพระบริหารณะมู ล, ละกะุกข์ประการหนึ่งสัตว์นั้นได้เสวยทุกขนาดหนักอันใดในเพราะการลื่นล้มการเดินการนั่งลงการลุกขึ้นและการพลิกตัวโดยเร็วของมารดาเป็นต้นก็ดี เพราการกระทําของคนอื่นมีการฉุดกระชากลากถูการกระแทกและการผลักเป็นต้นเมือนลูกแกะอยู่ในมือนักเลงสุราและเหมือนลูกงูอยู่ในมือหมองูก็ดีอันหนึง่งสัตว์นั้นได้เสวยทุกกล้าอันใดในเวลาที่มารดาดื่มน้ําเย็นเป็นเหมือนสัตว์ที่ตกนรกหนาวในเวลาที่มารดากลืนข้าวต้มและข้าวสวยร้อนลงไป เหมือนถูกพายด้วยเม็ดฝนทานเพลิงในเวลามารดากลืนอาหารรสจัดเช่นเค็มและเปรี้ยวเป็นต้นลงไปก็เหมือนได้รับการลงโทษมีวิธีขาราวาตจิกะคือสับร่างกายแล้วราดด้วยน้ำกรดเป็นต้นทุกนี้เป็นคับพระปริหารณมูลกทุกคือทุกมีการบริหารคันเป็นมูล ขะวิปติมูลกัทุกประการหนึ่งทุกอันใดเกิดขึ้นแกสัตว์นั้นเพราะการผ่าตัดเป็นต้นตรงที่ที่เกิดทุกคือมดลูกของมารดาผู้มีคันหลงคือขาดอันเป็นที่แม่ตายายสนิทมิสหายก็ไม่อยากแลดูทุกเป็นขปวิปัติมูลกัทุกทุกมีความวิบัติขัดข้องแห่งคันเป็นมูล วิชายณะมูลกะทุกประการหนึ่งทุกอันใดเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นผู้ถูกลมกรรมชวาตะของมารดาเมื่อจะคลอดผัดผันศีรษะให้กลับลงตรงช่องคลอดอันนากลัวยิ่งประดุดปล่องเหวถูกแบ่งออกทางช่องคลอดอันแคบยิ่งนักประดุดช้างใหญ่ถูกดันออกทางช่องดานและถูกบีบด้วยภูเขา คือคือหมายถึงเชิงกรานเหมือนสัตว์นรกถูกบดด้วยสังฆตาบันพททุกนี้เป็นวิชายนะมู ล, ละกะทุกขหมายถึงทุกข์มีการคลอดเป็นมูลพระหินิกะคัมภนะมู ล, ละกะทุกข์ประการหนึ่ง ทุกอันใดที่เป็นเช่นกับการแทงและผ่าด้วยปลายเข็มและคมมีดโกนในเวลาที่เขารับด้วยมือให้อาบน้ำล้างคันมนลทินและเช็ดด้วยผ้าเป็นต้นเกิดขึ้นแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วซึ่งมีร่างกายยังละเอียดอ่อนเช่นกับแผลใหม่ทุกนี้เป็นมาตุ ก, กุจิตโตพหีนิกะคมมณะมูลกะทุกหมายถึงทุก มีการออกมานอกท้องมารดาเป็นมูลอตุปกรมะมู ล, ลกทุกประการหนึ่งในความเป็นไปต่อแต่นั้นไปทุกอันใดเกิดมีแก่สัตว์นั้นผู้ทำร้ายตนเองก็ดีผู้ประกอบอาตาปณะบริตาปนานุโยก หมายถึงประกอบการทรมานตัวเพื่อย่างกิเลสตามทำนองวัดของเดียรถีมีเจละกะวัดคือวัดข้อปฏิบัติของฉีเปลยเป็นต้นก็ดีผู้ไม่กินอาหารและแขวนคอตายด้วยอำนาจความโกรธก็ดีทุกนี้เป็นอตุปปกรมะมู ล, ละกะทุข์ทุกมีการทำตัวเองเป็นมูล ปรุ ป, ปกรรมะมูลกาทุกประการหนึ่งทุกอันใดเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นผู้ได้รับการกระทํามีค่าและจองจําเป็นต้นจากคนอื่นทุกนี้เป็นป ร, รุ ป, ปกรรมะมูลอากาศทุกทุกมีการถูกคนอื่นทําเอาเป็นมูลสรูปรชาติทุก สรุปชาติทุกชาตินี้เป็นพื้นคือที่ตั้งแห่งทุกทั้งปวงนี้แท้ดังกล่าวมาเพราะเหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่าชาเยทะโนเจนรเกสุสัตโตจนถึงทุกขาติสัพพปธรมังอิมหาหชาติงหากว่า สัตว์ไม่พึงเกิดในนรกทั้งหลายไซเขาก็ไม่พึงได้รับทุกข์เหลือทนมีเผาด้วยไฟเป็นต้นในนรกนั้นถ้าไม่เกิดทุกข์จะพึงได้ที่ตั้งที่ไหนเล่าเพราะเหตุนั้นพระมุนีเจ้าจึงตรัสความเกิดในนรกนี้ว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นอันมากเกิดเพราะถูกฆ่า ด, ด้วยแส่ปตักและท่อนไม้เป็นต้นอันใด ทุกอันนั้นเว้นความเกิดในพวกเดรัจฉานนั้นเสียจะพึงมีอย่างไรเล่าเพราะเหตุนั้นแม้ความเกิดในพวกเดรัจฉานนั้นจึงเป็นทุกข์อันหนึ่งทุกในพวกเปรตหลากหลายเกิดเพราะความหิวกระหายลมแดดเป็นต้นย่อมไม่มีแก่สัตว์ผู้ไม่เกิดในพวกเปรตนั้นเหตุใดแม้เพราะเหตุนั้น พระมุนีเจ้าจึงตรัสความเกิดในพวกเปรตนั้นว่าเป็นทุกข์อันหนึ่งทุกข์ในพวกอสูในโล ก, กันอันเป็นที่มืดและเย็นเหลือทนหากความเกิดในโล ก, กันนั้นไม่มีไซส์ทุกข์นั้นก็ไม่พึงมีเหตุใดแม้เพราะเหตุนั้นความเกิดนี้จึงเป็นทุกข์อันหนึ่งสัตว์ผู้อยู่ในคันมารดา ซึ่งเป็นเหมือนคูดนรกเป็นเวลานานและออกมานอกคันนั้นย่อมได้รับทุกข์อันร้ายกาจแม้ใดแม้ทุกนี้เว้นความเกิดเสียก็หามไม่แม้เพราะเหตุนั้นความเกิดนี้จึงเป็นทุกแท้ต้องการอะไรที่จะกล่าวไปมากทุกใดแม้เล็กน้อยมีอยู่ในที่ไห น, ไหนในโลกนี้ก็ดี ทุกนี้เพราะเว้นความเกิดเสียก็ไม่มีการไหนเลยเหตุใดเพราะเหตุนั้นพระมหาฤาษีเจ้าจึงตรัสความเกิดนี้ว่าเป็นทุกข์ก่อนทุกขท์กทั้งปวงนี้เป็นวินิจฉัยในชาติคือการเกิดเป็นข้อแรกชราทุก ในข้อว่าแม้ชราก็เป็นทุกนี้มีวินิจฉัยว่าชรามีสองอย่างคือสังคตะลักษณะนหนึ่งความเก่าไปแห่งขันที่เนื่องอยู่ในภพอันหนึง่งในรูปสันตติซึ่งรู้กันโดยอาการมีฟันหักเป็นต้นหนึ่งชราอันปรากฏคือความเก่าไปแห่งขันนั่นแหละหมายเอาในที่นี้ ก็แหลจรานี้นั้นมีความแก่แห่งขันเป็นลักษณะมีการนำไปสู่ความตายเป็นกิจมีความเสื่อมหายไปแห่งความเป็นหนุ่มเป็นปัจจุบัจฐานชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์และเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยจริงอยู่ทุกข์อันเป็นไปทางกายและทางใจนี้ใด มีปัจจัยเป็นอเนกเช่นความหย่อนยานแห่งอวัยวะใหญ่น้อยความพิการแห่งอินทรีย์ความมีรูปร่างวิกลไปความเป็นหนุ่มหายไปความเพียรคือความกล้าตกไปสติคือความจําและมติคือความคิดอ่านจากไปและเป็นที่ดูแคลนของคนอื่นเป็นต้นเกิดขึ้นชราเป็นที่ตั้งแห่งทุกนั้นเพราะเหตุนั้น นักปราดจึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าอังคารังสิทธิลีภาวาเปญญยญานยัสมาตัสมาชราทุกขามัจจะหมายถึงสัตว์ที่จะต้องตายได้รับทุกทางกายและทางใจอันใดเพราะความหย่อนยานไปแห่งองค์ขาพยกเพราะความวิการไปแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเพราะความเสื่อมหายไปแห่งความเป็นหนุ่ม เพราะความถดถอยไปแห่งกําลังเพราะความจากไปแห่งสติคือความจําเป็นต้นเพราะรูปเมียของตนเองก็ไม่พึงใจและเพราะมีแต่จะถึงซึ่งความอ่อนเพลียยิ่งขึ้นเพราะเหตุที่ทุกข์ที่กล่าวมานั้นล้วนมีชราเป็นเหตุเพราะเหตุนั้นชราจึงเป็นทุกข์นี้เป็นวินิจฉัยในชรา มรณะทุกแม้ในข้อว่าแม้มรณะก็เป็นทุกนี้มรณะก็มีสองคือสังคตะลักษณะซึ่งท่านหมายเอากล่าวไว้ว่าชรามรณะสงเคราะห์ด้วยขันสองดังนี้หนึ่งความขาดการติดต่อกันไปแห่งชีวิตตินซีที่เนื่องอยู่ในภพอันหนึ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงตรัสไว้ว่าความกลัวตายมีอยู่เป็นนิดดังนี้หนึ่งมรณะคือความขาดชีวิตตินสีนั่นแหละประสงค์เอาในที่นี้แม้คำว่าชาติปัจญจามรณะหมายถึงความตายมีเพราะความเกิดเป็นปัจจัยอุปากรรมมรณะความตายเพราะการกระทา สระมรณะความตายโดยสภาพคือตายเองอายุกัขยะมรณะความตายเพราะสิ้นอายุบุญยักยะมรณะความตายเพราะสิ้นบุญดังนี้ก็เป็นชื่อของมรณะคือความขาดชีวิตตินซีนั่นเองมรณะนี้นั้นมีจุดติคือความเคลื่อนไปจากปัจจุบันพบ เป็นลักษณะมีวิโยคะคือวิโยคความพากไปจากสัตว์และสังขารตามที่ตนได้ไว้เป็นกิจมีคติวิปวาดความพลัดจากคติตามที่ตนเข้าไปถึงแล้วเป็นผลส่วนที่ว่ามรณะเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหตุนั้นนักปราช จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าป้าปัสสะปากัมมาธิเปยานทุกขมิเจวะพาสิตังทุกทางใจอันใดมีขึ้นโดยไม่แปล ก, กันแก่คนที่กำลังจะตายที่เป็นคนชั่วเห็นนิมิตมีกรรมนิมิตฝ่ายบาปเป็นต้นแม้ที่เป็นคนดีแต่ทนทานความพลัดพรากอันมีของรักเป็นที่ตั้งไม่ไหวอันหนึ่ง ทุกทางกายอันใดมีข้อและเส้นเอ็นขาดเป็นต้นมีขึ้นแก่คนทุกคนผู้มีหัวใจหมายถึงตำแหน่งสำคัญของร่างกายถูกลมร้ายแทงเอาทุกนี้เป็นทุกคนทนไม่ไหวแก้ไขก็ไม่ได้เพราะเหตุที่มรณะเป็นที่ตั้งแห่งทุกที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเพราะเหตุนั้นมรณะนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เป็นทุกแท้นี้เป็นวินิจฉัยในมรณะโศกกะในปกินนกะทุกมีโศกเป็นต้นความเร่าร้อนจิตแห่งบุคคลผู้ถูกทุกมีเสียญาติไปเป็นต้นชื่อว่าโศก โศกนั้นโดยความก็เป็นโทมนัสนั่นเองก็จริงแหละแม้เป็นเช่นนั้นก็มีลักษณะประจำตัวคือมีความตรอมตรมภายในเป็นลนักษณะมีความเครียมใจเป็นกิจมีความละห้อยหาเป็นผลส่วนที่ว่าโศกเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะเป็นทุกข์กทุกข์คือเป็นตัวทุกข์ และเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยเพราะเหตุนั้นนักปราชจึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่าสัตตานังหะทยังโสโกเป ย, ยาีาญตัสมาทุกโขติวุจติโศกย่อมทิมแทงหัวใจของสัตว์ทั้งหลายดังลูกศร อ, อาบยาพิษแทงเอาและยังเผาหัวใจอย่างร้ายแรงอีกด้วยราวกับเหลาเหล็กเผาไฟทิมเข้าไปเผาเอาและยังนา วิวิททุกต่างโดยความเจ็บไข้ความแก่และความตายมาอีกด้วยเหตุใดเพราะเหตุนั้นโศกนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นทุกข์นี้เป็นวินิจฉัยในโศกะคือโศกปริเทวะ ความคร่ำครวนแห่งบุคคลผู้ถูกทุกมีเสียญาติไปเป็นต้นชื่อว่าปริเทวะปริเทวะนั้นมีความร่ำบนเป็นลักษณะมีการบอกรำพันความดีความเสียเป็นรสมีความกลิ้งเกลือกไปเป็นปัจจุ ป, ปัจฐานส่วนที่ว่าปริเทวะเป็นทุกพึงทราบว่าเพราะเป็นสังขารทุก และเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วยเพราะเหตุนั้นนักปราชจึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่ายังโศกะสละวิหตโตปริเทวามโนปบาาียนทุโขติเตนะภควาปริเทวามาหะบุคคลผู้ต้องสอนคือโศประหารเอาแล้วยังมาคร่ำครวญอีกยอมได้รับทุกข์หนักยิ่งขึ้นไปซึ่งเป็นทุกข์เกิดแต่ความแห้งผากแหงคอ ริมฝีปากและเพดานปากเหลือจะทนเหตุใดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบริเทวะว่าเป็นทุกข์นี้เป็นวินิจฉัยในปริเทวะทุกขะความทุกข์อันเป็นไปทางกายชื่อว่าทุกขะ ทุกขะนั้นมีความบีบคั้นกายเป็นลักษณะมีอันทาความโทมนัสแก่บุคคลผู้สามปัญญาทั้งหลายเป็นกิจมีความเจ็บป่วยทางกายเป็นผลส่วนที่ว่าทุกขะเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะเป็นทุกขทก์คือเป็นตัวทุกข์และเพราะนำความทุกข์ทางใจมาให้ด้วยเพราะเหตุ น, นั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคาประพันธ์นี้ไว้ว่า เลติกายิกามิทางเปยญานทุกขันติวิเศสโตวุตตังทุกทางกายนี้ย่อมบีบคั้นกายซ้ายังทำทุกทางใจให้เกิดด้วยเหตุใดเพราะเหตุนั้นทุกทางกายนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นทุกขโดยพิเศษคือเป็นอย่างหนึ่งต่างหากนี้เป็นวินิจฉัยในทุกขะ โทมนัสความทุกข์อันเป็นไปในใจชื่อว่าโทมนัสโทมนัสนั้นมีการบีบคั้นจิตเป็นลนะักษณะทําให้จิตรุ่มร้อนเป็นกิจทําให้ป่วยใจเป็นผลส่วนที่ว่าโทมนัสเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะเป็นทุกขทุกข์เพราะนําทุกข์ทางกายมาให้ด้วยจริงอยู่ คนทั้งหลายที่เพียบด้วยความทุกข์ใจแล้วย่อมสวยทุกขมีประการต่างๆเช่นสยายผมที่ขมวดไว้ร้องไห้ทุบ อ, อกหมุนตัวไปมาทอดกายยกเท้าไขว้ขึ้นลงจับสัตราทำร้ายตัวเองกินยาพิษแขวนคอด้วยเชือกโจนเข้ากองไฟเพราะเหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่าปีเลติยโตจิตตัง ใบยานตโตอาหุโทมนัสย่อมบีบคันจิตและยังนำความลำบากกายมาให้ด้วยเหตุใดเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ปราศจากโทมนัสจึงตรัสโทมนัสว่าเป็นทุกข์นี้เป็นวินิจฉัยในโทมนัสอุปายาตโทสะ อันความทุกข์ใจอย่างหนักบันดาลขึ้นแห่งบุคคลที่ถูกทุกข์มีเสียญาติเป็นต้นต้องเอานั่นเองชื่อว่าอุปายาตอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าอุปายาตเป็นเจตสิกรธรรมะอันหนึ่งนับเข้าในสังขารขันอุปายาตนั้นมีความแผดเผาจิตเป็นลักษณะมีการทอดถอนเป็นกิจ มีความตรมตรอมเป็นผลส่วนที่ว่าอุปายาตเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะความเป็นสังขารทุกข์เพราะแผดเผาวจิตและเพราะทำร่างกายให้เผือดซีดด้วยเพราะเหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าจิตตสะจะปริทะนาเปยยานทุกขโตตตะโตวุตโตอุปายาต ย่อมยังทุกใดให้เกิดทุกนั้นจัดว่ามีประมาณยิ่งเพราะทั้งแผดเผาจิตทั้งทำกายให้เผือดซีดเหตุนั้นอุปายาตพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นทุกนี้เป็นวินิจฉัยในอุปายาตเปรียบเทียบในโสกะบริเทวะและอุปายาต ก็แลในโสกะปริเทวะและอุปายาตนี้โสกะพึงเห็นเหมือนการที่น้ำเดือดอยู่ภายในภาชนะด้วยไฟอ่อนๆปริเทวะพึงเห็นดังการล้นออกนอกภาชนะแห่งน้ำที่เดือดด้วยไฟแรงอุปายาตพึงเห็นเช่นการเดือดจนแห้งไปอยู่ภายในภาชนะนั่นเองแห่งน้ำที่เหลือ จากที่ล้นออกข้างนอกแล้วไม่พอจะล้นออกอีกอ ป, ปิยะสัมปโยคะทุกการร่วมเข้ากับสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ไม่ชอบใจชื่อว่าอ ป, ปิยะสัมปโยคะอ ป, ปิยะสัมปโยคะนั้นมีการพบปะกกับสัตว์และสังขารที่ไม่ปรารถนาเป็นลักษณะ มีการทำความคับใจเป็นกิจมีความเกิดอนัตถะเป็นผลส่วนที่ว่าอปิยะสัมปโยคะเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหตุนั้นนักปราด จ, จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าทิสวาณะอปิเยทุกขังเปียานอปิเยหิสมาคโมเพราะพบคนที่เกลียดเข้า ที่แรกทุกข์ก็มีขึ้นในใจต่อไปทุกข์อันเกิดแต่การทำร้ายเข้าๆด้วยกายละวาจาก็มีขึ้นในกายของบุคคลในโลกนี้ด้วยเหตุใดเพราะเหตุนั้นการพบปะกับสิ่งที่เกลียดนั้นพึงทราบว่าพระมหาฤาษีเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์เหตุว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสองคือทั้งทางใจและทางกาย นี้เป็นวินิจฉัยในอปิยาสัมปโยคทุกปิยาวิปโยคทุกความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ชอบใจชื่อว่าปิยาวิปโยคะปิยวิปโยคะนั้นมีความพรากจากวัตถุที่พอใจเป็นลักษณะ มีอัญญางความโศกให้เกิดขึ้นเป็นกิจมีความเสียหายไปเป็นผลส่วนที่ว่าปียาวิปโยค่าเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือความโศกเหตุนั้นนักปราดจึงกล่าวคาประพันธ์นี้ไว้ว่า ย, า, ยาติธนาทิวโยค า, ป, ยาปียานมัโตปียวิปโยโค คนข่าวทั้งหลายผู้เพียบพร้อมด้วยสอนคือโศกเพราะพลัดพรากจากสัตว์และสังขารที่รักมีญาติและทรัพย์เป็นต้นย่อมเจ็บปวดใจเหตุใดเพราะเหตุนั้นปิยาวิปโยคะนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นทุกข์นี้เป็นวินิจฉัยในปิยาวิปโยคาทุกข์ จิตาลาภะทุกในข้อว่าไม่ได้สิ่งที่ปรารถนานี้มีวินิจฉัยว่าความปรารถนาในอัลลภะนยาวะัตถุสิ่งที่ไม่มีทางจะได้ทั้งหลายเช่นปรารถนาว่าโอ้หนอเราทั้งหลายจะไม่เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นนั่นแหละที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายํำปิดฉัง นล・าปิตมปิทุกขังปรารถนาอยู่แต่ไม่ได้แม้อันใดแม้ความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาอันนั้นก็เป็นทุกข์ดังนี้ความปรารถนานั้นมีความต้องการสิ่งที่ไม่มีทางจะได้เป็นลักษณะมีการแสวงหาสิ่งที่ไม่มีทางจะได้นั้นเป็นกิจมีความไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเป็นผลส่วนที่ว่า ความปรารถนานั้นเป็นทุกข์พึงทราบว่าเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เหตุนั้นนักปราชญ์จึงกล่าวคําประพันธ์ไว้ว่าตังตังปฏติยมานานังเปยานอิชิตาลาภมภรวิทุกข์อันประกอบไปด้วยความขุนเคืองอันใดเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะเมื่อเขาทั้งหลายปรารถนาสิ่งนั้นๆอยู่แต่ไม่ได้สิ่งนั้นๆ ความปรารถนาสิ่งที่ไม่มีทางจะได้ทั้งหลายนั่นแลเป็นเหตุของทุกอันนั้นเหตุใดเพราะเหตุนั้นพระชินะจึงตรัสความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาว่าเป็นทุก์นี้เป็นวินิจฉัยในอิจิตาลาภะทุกปั จ, จุปาทานขันททุก ส่วนข้อว่าโดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกนี้มีวินิจฉัยว่าทุกตั้งแต่ชาติทุกขมาอันใดที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงตาที่คุณตรัสไว้ในทุกขนิเทศนี้แล้วก็ดีทุกอันใดที่มีได้ตรัสไว้ในทุกขนิเทศนี้ก็ดีได้ทุกทั้งปวงนั้นเว้นอุปาทานขันห้านั้นเสียก็หามีไม่ เหตุใดเพราะเหตุนั้นอุปทานนักขันทั้งหลายนี้พระมหาฤาษีเจ้าผู้ทรงชี้ที่สุดทุกขจึงตรัสว่าเป็นทุกข์โดยย่อจริงอยู่อย่างนั้นทุกธรรททั้งหลายมีชาติคือการเกิดเป็นต้นซึ่งเบียนอุปทานนัขันทั้งห้านี้แหละโดยประการต่างๆอยู่ดังไฟเบียนเชื้อดังเครื่องประหารเบียนเป้า ดังมแมลงทั้งหลายมีเหลือบและยุงเป็นต้นเบียนโคดังคนเกี่ยวข้าวทั้งหลายเบียนนาดังพวกโจรปล้นบ้านเบียนหมู่บ้านก็เกิดที่อุปท า, านนักขันทั้งหลายนี่เองเหมือนหญ้าและไม้เถาเป็นต้นเกิดที่พื้นดินเหมือนดอกผลและหน่อกเกิดที่ต้นไม้ทั้งหลายฉะนั้นอันหนึ่งทุกในเบื้องต้นของอุปท า, านัขันทั้งหลายก็คือชาติ ทุกใน่้ำกลางคือชราทุกขในที่สุดคือมรณะทุกขคือความรุ่มร้อนใจเพราะกระทบมรณะติกทุกข์คือทุกขเมื่อใกล้าตายเป็นโศกะทุกคือความแกร่งครวญเพราะทนต่อทุกข์นั้นไม่ได้เป็นปริเทวะต่อไปทุกคือความเจ็บกายเพราะประสบอนิทะโพธพา กล่าวคือความกำเริบแห่งธาตุเป็นทุกขะทุกข์คือความเจ็บใจเพราะเกิดปฏิฆะในทุกขกายนั้นแห่งปุถุชนทั้งหลายผู้ถูกความเจ็บกายนั้นเบียนเอาเป็นโทมนัสทุกข์คือความหมกไหม้ของบุคคลทั้งหลายผู้มีความเศร้าสลดที่ความเพิ่มมากขึ้นแห่งทุกที่กล่าวแล้วมีโสกเป็นต้นทาให้เกิดขึ้นเป็นอุปายาต ทุกข์คือความไม่สมปรารถนาของบุคคลทั้งหลายผู้ได้รับความคาดหวังเป็นอิจิตาลาภะเพราะเหตุนั้นอุปาทานเนันทั้งหลายนั่นเองซึ่งเมื่อพิจารณาดูโดยประการต่างดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นทุกข์แท้แลใครๆไม่อาจกล่าวพันานาทุกข์ตะละอย่างนี้ได้ที่พระผู้มีพระภาค ตรัสแสดงไว้มิให้หลงเหลือโดยการแม้หลายกลับได้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงโดยย่นทุกทั้งปวงนั้นเข้าในอุปาทานขันห้าทุกอย่างดุดย่นรดน้ำทะเลทั้งสิ้นไว้ในหยดน้ำหยดเดียวจึงได้ตรัสว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ดังนี้ นี้เป็นวินิจฉัยในอุปาทานขันทั้งหลาย